ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวียนญาสังหะอาตกรถาพระสารีบุตรมหาเจราชาวสศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามสิบสองครุกาปัฏิวุธานะวินิชยกถา ก, ากถาวิจัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุกาบัตตต่อ ตอนที่แล้วก็จบปฏิชนะปริวาสไปแล้วเป็นปริวาสที่ปกปิดเอาไว้ก็มีมานัตอภานสำหรับผู้ที่อยู่ปริวาสที่ปกปิดไว้แล้วนะตอนหลังก็มีการขอมานัตที่ปกปิดไว้กับไม่ปกปิดไว้แล้วก็อภารรวมกันก็คือเป็นการจมวนอวบัติที่ปกปิดไว้กับอบัติที่ไม่ได้ปกปิดไว้ก็พ้นจาก การอยู่กรรมเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไปแล้วต่อไปปริวาสที่เหลืออีกสองอย่างก็คือสุทันต์ตัปริวาสกับสมุทานปริวาสซึ่งความเป็นจริงก็จะมีปริวาสทั้งหมดที่ในเรื่องของปริวาสกรรมในเรื่องของวุฒานคามินีสามอย่างแต่ว่าโดยชื่อนั้นมีสี่อย่างก็ได้แก่ติดทิยะปริวาสด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิชนะปริวาสอย่างหนึ่ง สุดทันตปริวาสอย่างหนึ่งสมุทันปริวาสอย่หนึ่งก็เลยกลายเป็นสี่แต่ในที่นี้จะแสดงสามก็คือปฏิชนะปริวาสปริวาสที่ปกปิดไว้แล้วก็สุดทันตะปริวาสปริวาสที่เอาความบริสุทธิ์ขั้นสูงสุดเลยก็คือจะแยกเป็นสองอย่างจุลละสุดทันตะปริวาสกับมหาสุดทันตะปริวาสคือบริสุทธิ์แค่ไหนก็อยู่ปริวาสจนกระทั่งถึงบริสุทธินับได้ว่าตัวเองไม่ต้องอบดับมาแค่ไหนคือจําไม่ได้อะ ทำไม่ได้ว่าตัวเองต้องอันบัดนะปกปิดไว้กี่วันกี่วันก็อยู่ถุตันตปริว่าส่วนสมุทรทานปริว่าก็ให้ประมวลหลายๆอย่างมาประมวลกันปกปิดไว้กี่วันกี่วันต่อหลังก็ให้มาประมวลกันหมดเลยต้องอันบัตหลายๆตัวอันก็กลายเป็นมีปริว่าสามอย่างในเรื่องของปฏิวัติกรรมแต่ว่ามีสี่อย่างโดยชื่อเพิ่มติทยะปริว่าสําหรับผู้ที่เป็นอัญญาเดรธีถ้าจะมาบวช ในผู้ศัทธาก็จะต้องอยู่ปริวาสรู้สึกจะสามเดือนหรือสี่เดือนเนี่ยนะต่อไปนะปริวาสที่เหลือสองอย่างคือสุทันตะปริวาสกับสมุทรานปริวาสในบรรดาปริวาสทั้งสองนั้นสุทันตะปริวาสมีสองอย่างคือจุลสุทันตะหนึ่งมหาสุทันตะหนึ่งก็สุทันตะปริวาสทั้งสองอย่างนั้นสองฝึงให้แก่ที่สุผู้ไม่รู้และระลึกไม่ได้ ซึ่งการกำหนดราตรีทั้งสิ้นหรือบางราตรีและผู้ที่มีความสงสัยในการกำหนดราตรีนั้นคือจำไม่ได้เลยว่าปกปิดเอาไว้กี่วันไม่รู้แต่พิตุจะรู้จำนวนที่สุดแห่งอาบัติว่าเราต้องอาบัติเท่านี้หรือจะไม่รู้ก็ตามข้อนั้นไม่ใช่เหตุคือต้องอาบัติกี่ตัวก็แนละ้วแต่จาไม่ได้ไมเป็นไรเพราะว่าจะใช้คำวาสัมเพลรามก็ปดเรื่องหมดหมายถึงว่าจานวนมากนั่นและ คิดตัวคิดตัวก็หลุดหมดส่วนวันนี่ต้องจะจําได้ถ้าจําไม่ได้ก็ให้อยู่ไปจนกระทั่งนู่นแหละถึงวันบวชในสุดทันต์ทั้งสองนั้นพิฆตุใดแม้พระวินัยทรถามอยู่ว่าท่านรู้ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดวันปากเดือนหรือว่าปีนูน้นและนู่นหรือท่านบริสุทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะบวชมากีปีแล้วไม่ต้องอาบัติเนี่ยก็ถามดังนี้ตามลําดับตั้งแต่อุปสมบทมา หรือทวนลำดับตั้งแต่วันที่บอกไปก็ดีก็คือตั้งแต่วันบวชมามาถึงวันแค่ไหนบริสุทธิ์แล้วแค่ไหนอาบัตหรือว่าตั้งแต่มาคุยกันเนี่ยนะนับย้อนไปเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีที่รู้สึกว่าต้องอาบัตแล้วนะปกปิดไว้ก็ถามตั้งแต่วันบวชมาหรือว่าย้อนกลับไปก็ได้จึงตอบว่าทราบอยู่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดการเพียงเท่านี้ สุดทันตะปริว่าที่สงให้แก่ที่ตุนั้นเรียกว่าจุลละสุดทันตะอันนี้หมายถึงว่าประมาณแค่นี้เนี่ยมันคงจะบริสุทธิ์แต่ว่าตั้งแต่วันไหนไม่รู้จำไม่ได้สงสัยหลังนี้ให้จุลสุดทันตะคือสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถ้าระลึกได้เมื่อไหร่ที่ตุผู้รับจุลสุดทันตะนั้นอยู่ปริว่าพึ่งแบ่งการเท่าที่ตนรู้ว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ออกเสียแล้ว พึงอยู่ปริวาสตลอดเดือนหรือสองเดือนที่เหลือถ้ากำหนดได้ว่าเราเป็นผู้ไม่บริจุดเพียงเดือนเดียวได้รับปริวาสแล้วกำลังอยู่ปริวาสระลึกเดือนอื่นได้อีกพึงอยู่ปริวาสตลอดเดือนนั้นด้วยแท้ไม่มีกิจที่จะต้องให้ปริวาสอีกก็คือขอปริวาสประเภทจุลสุทันตานี่นะคิดว่าอยู่เดือนเดียวแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไประลึกได้เอไม่ใช่เดือนเดียวนี่สองเดือน ก็ไม่ต้องขอปริวาสใหม่อยู่ต่อไปได้เลยถ้ากําหนดได้ว่าเราเป็นผู้ไม่บริจุทธิ์สองเดือนได้รับปริวาสแล้วแต่กําลังอยู่ปริวาสทําความตกลงใจว่าเราเป็นผู้ไม่บริจุทธิ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นก็ไม่มีเกียรติที่จะต้องให้ปริวาสอีกก็คือลดลงมาเหลือเดือนเดียวได้ขอปริวาสสองเดือนแต่ว่าเมื่ออยู่ไปอยู่ไปก็ระลึกได้ว่าเออมันกไปกเกีติไว้เดือนเดียวเท่านั้นนี่ ก็ อ, อยู่แค่เดือนเดียวเท่านั้นไม่ต้องให้ปฏิวัติใหม่จริงอยู่ธรรมดาสุดทันตะปฏิวัตินี้ขยับสูงขึ้นก็ได้ลดต่ำลงก็ได้นี้เป็นลักษณะของสุดทันตะปฏิวัตินั้นคือสุวทันต์ปฏิวัตินี้สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สําหรับจุละสุดทันต์ส่วนในการออกอาบัตอื่นมีลักษณะดังต่อไปนี้พิกตุใดทําวินัยกรรมว่าปิดไว้สําหรับอาบัตที่มิได้ปิด อาบัตความพิสูจนั้นย่อมออกก็คือความจริงแล้วไม่ได้ปิดอาบัตแต่ว่าเข้าใจว่าปิดแล้วก็มาอยู่ปรวิว่าจริงแล้วไม่ได้ปิดไวอ่ะแต่เข้าใจว่าปิดเดือนหนึ่งก็อยู่ปริว่าดเดือนหนึ่งก็เป็นอันออกกรรมนี้ใช้ได้แต่หนอันออกแม้ว่าเข้าใจผิดส่วนพิสูจนใดทําวินัยกรรมว่าไม่ได้ปิดสําหรับอาบัตที่ปิดไว้อาบัตความพิสูจนนั้นไม่ออกความจริงแล้วปิดไว้หนึ่งวัน แต่ว่าเข้าใจว่าไม่ได้ปิดเช่นต้องอบัตในตอนกลางคืนแล้วก็ทั้งใจไว้ว่าจะปิดแต่ว่าจะปิดจะปิดพออารุณ์ขึ้นแล้วไม่ปิดดีกว่านึกว่าอารุณ์ยังไม่ขึ้นไม่ปิดดีกว่าไปบอกอันนี้ก็เข้าใจว่าบอกแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอารุณ์ขึ้นไปแล้วถือว่าผิดแล้วนะอารุณขึ้นแล้วถือว่าปิดเพราะว่าปล่อยให้อารุณขึ้นนี่ก็ชื่อว่าปิดแล้วมีเจตนาปิดไปด้วยอ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจว่าตัวเองไม่ได้ปิดเพราะฉะนั้นไปขอปฏิวาติประเภทที่ไม่ได้ปิดแต่ความจริงแล้วตัวเองปิดเอาไว้ไม่ออกรู้เมื่อไหร่ต้องมาอยู่ปฏิวาติแล้วก็อขอมานับะภาหมัยทิศใดทำวินัยกรรมว่าปิดไว้นานสำหรับอาบัติที่ปิดไว้ไม่นานอาบัติของพิจูแม้นั้นย่อมออกคือตัวเองปิดไว้แค่ห้าวันเท่านั้นเองแต่ขอปริวัสิบวัน เข้าใจว่าสิบวันถ้าอย่างนี้ก็อยู่ไปว่าเรียบร้อยแล้วขอมาณอภารเรียบร้อยก็เป็นอันบริสุทธิ์ไม่เป็นไรก็ชื่อว่าออกเนืว่าเข้าใจผิดขอปฏิว่าิเกินกว่าที่ตัวเองปกปิดไว้ก็ชื่อว่าออกเหมือนกันต่อไปพิจิตรไดทําวินัยกรรมว่าปิดไว้ไม่นานสําหรับอาบัติที่ปิดไว้นานอาบัติของพิจุณแม่นั้นก็ไม่ออกปกปิดไว้สิบวันไปขอปฏิวัติห้าวันเท่านั้นอันนี้ก็ชื่อว่าไม่ออก ต่อไปก็พิสูจนดต้องอบัตตัวเดียวทําวินัยจำรรว่าหลายตัวอบัตของพิสูจแม้นั้นย่อมออกเพราะเว้นอบัตตัวเดียวเสร็จแล้วหลายตัวก็มีในได้ก็าอับบัตตัวเดียวเท่านั้นอะแต่ว่าเข้าใจว่าหลายตัวนะก็เป็นไปได้เหมือนกันควาจรงไม่อบบัตเข้าใจว่าอาบัตเช่นนอนแล้วฝันฝันนะอสุจิเคลื่อนตัวเองก็เอามือไปจับอวยวเพศไว้จะไม่ให้น้ําอสุจิมันเลอะพี่นอนแต่ว่ามันก็เกิดความเสียว มือก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาความจริงแล้วนะ้สุจิมันเคลื่อนกับฐานมาแล้วอนะนั้นอันนี้ก็ไม่มีอบัดแต่เราเข้าใจว่าเป็นอบัดไม่เช่นนั้นก็ไปขอปริว่าหลายตัวแต่ความจริงแล้วต้องอบัดตัวเดียวเคยต้องอบัดมาไปทํำสุจิเพื่อนเนี่ยครั้งเดียวตัวเดียวแต่เราเข้าใจว่าหลายตัวขอปริว่าทําให้ในตำหลายตัวแต่ว่าตนเองต้องอบัดตัวเดียวหลุดได้ทนได้เหมือนกันย่อมออก ส่วนฝ่ายพิจตุใดต้องอาบัตหลายตัวแต่ทำวินัยกรรมว่าเราต้องอาบัตตัวเดียวอาบัตของพิจุรนั้นไม่ออกเ้องบัตหลายตัวจะไปขอทำวินัยกรรมต้องบัตตัวเดียวนี้ก็ไม่หลุดครับฉะนั้นก็มีหกหัวข้อด้วยกันหกหัวข้อก็ได้แก่ข้อที่หนึ่งไม่ได้ปิดไว้แต่ทำวินัยกรรมว่าปิดอาบัตเป็นอันออกได้เป็นอันออกข้อที่สองปิดไว้แต่ว่าทำวินัยกรรมว่าไม่ได้ปิดอาบัตเป็นอันไม่ออก ข้อที่สามปิดไว้นานแต่ว่าทำวินัยกรรมว่าปิดไว้ไม่นานอันนี้ก็วินัยกรรมก็เป็นอันไม่ออกข้อที่สี่ปิดไว้ไม่นานแต่ว่าทมวินัยกรรมว่าปิดไว้นานเมื่อทําำทางกรรมเสร็จเรียบร้อยเป็นอันบริจุดได้ออกได้ข้อที่ห้าอับัตตัวเดียวแต่ว่าทมวินัยกรรมว่าอับบัตหลายตัวอันนี้ก็ทำวินัยกรรมแล้วก็บริจุทดออกได้ข้อที่หกอับบัตหลายตัวแต่ว่าทำวินัยกรรม อาบัตตัวเดียวอันนี้ก็ไม่เป็นอันออกเพราะฉะนั้นสําคัญเหมือนกันคารรวาจานขึ้นอยู่กับผู้แต่งเนี่ยต้องแต่งให้ถูกต้องแต่งให้ดีไม่อย่างนั้นไม่เป็นอนออกก็ต้องตรวจเช็คตรวจที่ดีฝ่ายพิสูจนใดแม้พระวินัยทรถามอยู่โดยในอนุโลมและปฏิโลมตามที่กล่าวแล้วไม่รู้ระลึกไม่ได้ซึ่งที่สุดแห่งราตรีหรือเป็นผู้มีความสงสัย สุดทันตปริวาทที่ส่งให้แก่ทิสุนานเรียกว่ามหาสุดทันตก็คือระลึกไม่ได้เลยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บริจุ์แค่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ตามหรือว่าสงสัยก็ตามทิสุรับปริวาทนั้นแล้วพึงอยู่ปริวาทนับราตรีตั้งแต่วันที่รับจนถึงวันอุปสมบทเลยไม่รู้ใช่ไหยถ้าไม่รู้ก็เอาตั้งแต่วันบวชมาเลยแหละบวชวันไหนเมื่อไหร่ปัจจุบนันนี้ก็มีใบสุทธิอยู่แล้ว ก็ดูเลยถ้าระลึกไม่ได้สงสัยมาก็เอาตั้งแต่วันบวชมาเลยมหาสุทันตานี้ขยับขึ้นสูงไม่ได้เพราะว่ามันสุดเขตตั้งแต่วันบวชนั้นแล้วแต่ว่าขยับลงต่ำได้ระลึกขึ้นได้เมื่อไหร่ว่าตัวเองบวชมาแล้วได้ปัญษาหนึ่งแล้วถึงมาต้องอาบัตเพราะฉะนั้นอยากปัญสาไปอยู่ปริวาสไปจนยยทั่งถึงวันขอนี่แหละเพราะฉะนั้น ถ้ากําลังอยู่ปริวาสทําความตกลงใจในการกําหนดราตรีไว้ว่าเมื่อเราต้องอบัตเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปีพึงอยู่ปริวาสหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปีนั้นก็ไม่ต้องอยู่ตั้งแต่ถึงวันบวชเราดึกได้แค่ไหนอยู่แค่นั้นนั่นแหละส่วนลักษณะการขอและการให้ปริวาสนี้ในสุดทันต่อปริวาสเพึงทราบอย่างนี้ทิคตุ น, นั้นเพิ่งเข้าไปหาสง์กระทำผ้าอุตราสงชฉวยงบา ไหว้ท้าทิศทั้งหลายผู้แก่กว่านั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วก็กล่าวอย่างนี้การขอสุดทันตะปริวาสนี้คำว่าจาหรือว่าคําขอแตกต่างจากปฏิชนะปริวาสหรือว่าปฏิชนะมานัทเพมีความแตกต่างกันเป็นชนะแตกต่างกันก็ลองฟังกันแล้วกันคําขอสุดทันตะปริวาสก็ขอสามครั้งเหมือนกัน อาหังพันเตสัมบ่าวลาสังคาดิเซซาอ r ปาติโยอาป a ชินอาปาติปริยันตังนัชนามิรติปริยันตังนัชนามิอาปาติปริยันตังนัสรามิรติปริยันตังนัสรามิอาปาติปริยันเตเวมติโกรติปริยันเตเวมติโกโหังสังัตสังอปนงสุทันตาปริวาสังยาจามิ พึงขอแม็ครั้งที่สองพึงขอแม็ครั้งที่สามความก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเพิ่มคําว่าทุติยปิกับตาติยปิเท่านั้นที่สุภุชราผู้สามารถพึงสวดประกาศให้รงทราบถึงให้สุดทันตะปริวาดด้วยจมวาราอย่างนี้ว่าสุนารโตเมผันเตสังโฆ อ, อยังอิทา น, นาโมภิกขะสัมบ่ลาสังคาดิเตสอาปติโยอาปชิ อาปาติปริยันตังนัชนาติรติปริยันตังนัชนาติอาปาติปริยันตังนัสระติรติปริยันตังนสระติอาปาติปริยันเตเวมาติโกรติปริยันเตเวมาติโกโซสังขังตาสัอาปาตินาสุถันตาปริวาสังยาจเตยาดีสังขาจปาตาตัณลัง สังโฆอิธันนามัสสภิกุโนตัสสังอาปาตินังตุถันตปฏิวสังดเดียยะเอสาญาติสุโนโตเมผันเตสังโฆอะยังอิธันนาโมภิกขะสัมบ่าวลาสังขาดิเสสะอาปาติโยอาปาชิอาปติปริยันตังณชาณติรติปริยันตังณชาณติอาปติปริยันตังสระติ ระติปริยันตังนัสระติอาปาติปริยันเตเวมติโกระติปริยันเตเวมติโกโซสังขังตาสังอาปาตินังสุถันตาปริวาสังยาจติสังโขยท่านนามาซาภิกุโนตาสังอาปาตินังสุถันตาปริวาสังเดเตยาซายาสมโตขมาเตอท่านามาซาภิกุโนตาสัอปตินังสุถันตาปริวาสังเดเต โซ ต, ตุลลาสลายัสานคมติโซพาเซยาอันนี้เป็นอนุตวรรณาครั้งแรกครั้งสองคร้สามก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเพิ่มคําว่าดูติยัมปีเอตมั้งวดามิสุนวตุเมผันเตสังโฆก็ความละเหมือนกันตติยัมปีเอตมทั้งวดามิสุนวตุเมผันเตสังโฆก็ความละเหมือนกัน สรุปตอนสุดท้ายก็ว่าดินโนสังเขนาอิทันนามะสะภิกุโนตาสังอาปาตินังสุถันตาปริวาโตคัมติสังขสาตัสมาตุนีเอวะเมตังธารายามิในเวลาจบกรรมวาจากิจทั้งปวงมีการสมาทานวัดเป็นต้นมีในดังกล่าวแล้วก็คือต้องมีการสมาทานวัด สมาทานว่าอย่างไงวัดตังสมาดิยามิปริวาสร้างสมาดิยามิอันนี้ก็เป็นการสมาทานวัดเมื่อสมาทานวัดแล้วก็พึงบอกวัดบอกมานัทนั่นเองการบอกก็บอกครั้งเดียวนะบอกอย่างนี้ว่าคำบอกวัดสุดทันตะปริวาอหังพันเตสัมบาวาสังธาดิเซตาอปฏิโยอปงอปิปริยันตังนะชานามิรติปริยันตังนะชานามิ อปติปริยันตังนัสรามิรติปริยันตังนัสรามิอปติปริยันเตเวมติโกรติปริยันเตเวมติโกโสตังถังตาสังอาปาตินังสุถันตาปริวาสังยาเจงตาสัมเเสังโขตาสังอาปตินังสุถันตาปริวาสังอาดัสีโสหังปริวาสามิเวดิยามหังพันเตเวริยติติมังสังโขทาเรต การบอกกับพิสูตรูปเดียวต่อรูปหรือว่าสามรูปก็มีในดังกล่าวแล้วก็คือถ้าบอกกับพิสูตรูปเดียวก็เปลี่ยนสังโฆเป็นอายัสม่าถ้าเป็นสองรูปก็เปลี่ยนเป็นอายัสมนตาถ้าสามรูปก็เป็นอายัสมนโตแล้วก็ทาเรนตุถ้าสอรูปสามรูปก็เป็นทาเรนตุสงเมื่อจะให้มานัทแจกพิสูตผู้อยู่ปริวาสแล้วให้เธอขอสามครั้งเมื่ออยู่ปริวาสเรียบร้อยแล้วก็คือ ตามที่ตนเองกําหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นจุลสุทันตะหรือว่ามหาสุทันตะก็ตามก็คือสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามที่ตนเองระลึกได้นั่นแหละเมื่ออยู่ปริวาณเรียบร้อยแล้วก็ขอมานัดสามครั้งอย่างนี้ว่าอหังพันเตสัมบบุลาสังคาดิเซตาอาปฏิโยอาปะชินอาปฏิปริยันตังนะชานามิรติปริยันตังนะชานามิ อาปาติปริยันตังนัสรามิรติปริยันตังนัสรามิอาปาติปริยันเตเวมติโกรติปริยันเตเวมติโกโซฮังสังหังตาสังอปาินสุถันตปฏิวะสังยาจิงตาสเมสังโภตาสังอปาินสุถันตปฏิวะสังอดัเโังพันเตปริวุฒาปฏิวะโ สั่งหังตาสังอาปาตินังชาตระตังมานาตังยาจามิการที่สองก็รุ ต, ต, ติยัมติการนี่สาก็ตัติยัมติก็คำละก็เหมือนกันก็พิสูจนผู้ชราผู้สามารถพึงให้กรรมวาจาอย่างนี้ว่ากรรมวาจาให้สุทันตะมานัตสุมาตุเมพันเตสังโค อ, อายังอิทั น, นาโมภิกข สัมบ่าวลาสังขารีเสสะอาปาติโยอาปาชีอปติปริยันตัชาณาติรติปริยันตัชาณาติอปติปริยันตนสระติรติปริยันตนสระติอปติปริยันเตเวมติโกรติปริยันเตเวมติโกโซสังขังตาสังอปตนังสุถันตาปริวาสังาจ สังโท่านามาตภิกขุโนตาสังอาปาตินังสุถันตปริวสังอาดาเโตปริวุฒาปริวาโสังขังตาสังอาปตินังชาระตังมานตังยาเจเตยาดีสังปตะกัลลังสังโขอท่านามาภิกขุโนตาสังอาปตินังชาระตังมานตังดะเดยเอสังยัตติอันนี้ก็เป็นการประกาศให้รู้เรียกว่ายัตติ ตไปเป็นอนุสาวรนาสุนนตโมีพันเตสังโฆยังอิทันนามภิกขะสัมบ่าวลาสังขาเดเสสะอปติโยอาปาเชอาปาเตปริยันตนาชานาเตระเตปริยันตนาชานาเตอาปติปริยันตงนาสราเตระเตปริยันตนาสราอาปติปริยันเตเวมติโกระเตปริยันเตเวมติโก โซตั so, ้งทางตาตั้งอาปาินังส so, ุถันตปริวาต a ังยาจสตังโขยท่านนามาตถิคุโนตาสั้งอาปาินังสุถันตปริวัตตังอาดาเซโซปริวุฒาปริวัตโสตั้ตาสัอาปตินังชารตังมานตังยาเจติตังโขยท่านามาตถิคุโนตาสั้อปตินังชารตัมานตังเดติยาายสมโตขมติ อิทานามาจัภิกุโนตางสังอาปาตินาชาระตังมานตัสสะดานังโซตุนหาสะยาสานัคมาตีโซภาสิยะค้อ น, นี้สองก็ว่าดุติยามปีเอตมทั้งวดามิสุมาตุเมผันเตสังโขค้อ น, นี้สามก็ว่าตานติยามปีเอตมทั้งวดามิสุโมตุ เมันเตตั้งโคข้อความละเหมือนกันสรุปว่าดินนางตั้งเถนะอทนามัพภิกุโนตาสันอาปฏตินังชาระตังมานตังขมติสังคัสตัสมาตุน e ีเอวเมตังธารยามิในเวลาจบกรรมวาจากิจทั้งปวมีการสมาทานมานัตเป็นต้นมีนายดังกล่าวแล้วนั่นแหละ ก็คือถ้าอยู่มานัดหกราตรีขึ้นไปแล้วจะอยู่สักแปดราตรีเก้าราตรีสิบราตรีก็ได้นะเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่มีการรับติเฉดในระหว่างนี้การประพฤติมานัดก็ดูว่าถ้าสามารถที่จะประพฤติวัดได้บริสุทธิ์ในวัดนั้นมีพระภิกจุน้อยก็ไม่ต้องเก็บวัดแต่ถ้าพระพิจูมากมายมีพระพิจูจรนไปจรมาก็ให้เก็บวัดแล้วก็ไปสมาทานตอนใกล้อารุณจะขึ้นฉันนั้นก็นับราตรีโดยประการนี้ก็ได้ การที่กล่าวแล้วเมื่อขอมนัดแล้วก็จะต้องบอกมนัดกอนสมาทานวัดมานัตตังสมาธิยามิวัดตังสมาธิยามิแล้วก็ต้องบอกมานัดด้วยบอกวัดก็คือบอกสุดทันต์มนัดนั้นก็บอกอย่างนี้ว่าอะหังพันเตสัมบุลาสังคาดิเซตาอาปติโยอาปาเชิงอาปติปริยันตังนาชานามิรติปริยันตันาชานามิ อาปาติปริยันตังนัสรามิรติปริยันตังนัสรามิอปติปริยันเตเวมติโกรติปริยันเตเวมติโกโซหังสังขังตาสังอปตินังสุถันตปริวาสังยาจิงตสเมสังโถตาสังอปตินังสุถันตปริวาสังอดาสโซหังปริวุฒาปริวาโซสังขังตาสังอปตินังชารตังมาตังยาจิง ตาสเมสังโคตังสังอาปตินังชารตังมานาตังอาดาสีโซมานาตังเจรามิเวดิยามะหังผันเตเวดิยติติมังสังโคทาเรตโต๒เพิ่งให้อภาร์แก่ภิกษุผู้ประพฤติมานัตแล้วในที่ที่มีภิกษุครบ20รูปเมื่อประพฤติมานัตเรียบร้อยแล้วนะก็ขออภานใช้สรง20รูป ก็จะต้องให้เธอขอสามครั้งการขอสุธันตะอภานก็ขออย่างนี้ว่าอะหังผันเตสัมบ่าวลสังขารีเซ s าอาปาติโยอาปาชินอาปาติปริยันตังนะชานามีรติปริยันตังนะชานามิอาปาติปริยันตังนัสรามีรติปริยันตังนัสรามีอาปติปริยันเตเวมัตติโกรติปริยันเตเวมัตติโก โสสังขังตาสังอาปาตินังสุทธันตาปริวาสังยาจึงตาสเมสังโขตาสังอาปาตินังสุทธันตาปริวาสังอ a ดาเสโสหังปริวุฒาปริวาโสสังขังตาสังอาปาตินังชาตร a ตังมานตังยาจึ s ตาสเมสังโขตาสังอาปาตินังชาตระตังมานตังอาดาเสโสหังผันเตจินนามานโตสังขังอภาน a งยาจามิ ครั้งที่สองก็ดุสิตยมปิครั้งที่สามก็ตากิตยมปิก็พิษุกผู้ราผู้สามารถก็พึงให้กรรมวาจาสวดกรรมวาจาอภานอย่างนี้ว่ากรรมวาจาสุทันตะอภารสโมตเมพันเตสังโฆัอิทา น, นามโมภิคสัมาวลาสังขาริเรสปตปิโยอาปะช อาปฏิปริยันตังนะชาณาติรติปริยันตังนะชาณาติอาปฏิปริยันตังนัสระติรติปริยันตังนัสระติอาปฏิปริยันเตเวมติโกรติปริยันเตเวมติโกโตสัง t ังตาสังอาปฏินาสุถันตาปริวาสังยาเจสังโขยท่านนามาตถิคุโนตาสังอาปฏินาสุถันตาปริวาสังอาดาเสโตปริวุฒาปริวาโต สังขังตาสังอาปาตินังชารตังมานะตังยาเจิสังโขยท่านนามาสะภิกุโนตาสังอาปาตินังชารตังมานะตังอาดาติโตจินนะมาโตสังขังอภานังยาเจติยาเดสังขัสสะปัตตะกันลัมสังโขยท่านนามังภิกขุงอัเทียเอสายติอันนี้ก็เป็นการประกาศให้รู้เรียกว่ายติ จะไปเป็นอนุสาวนาสาครั <s departure> ้งส <isters> ุมตเมผันเตสังโฆอยังอิทัณนาโมภิกสัมบหุลาสังหาดิเสสะปฏิโยอาปัจเิอาป a ิปริยันตนะชานาเตรถิปริยันตังนะชานาเตอปฏิปริยันตันัสรตรถิปริยันตันัสราเตอปฏิปริยันเตเวมติโกรถิปริยันเตเวมติโก สั่งขังตาสั่งอ a ปาตินังสุทธันตาปริวาสั่งยาเจสั่งคอยท่านนามาสาภิกุโนตาสั่งอาปาตินังสุทธันตาปริวาสั่งอาดาเซส a ่งปริวัฏฐานปริวาโตสั p งขังตาสั่งอาปาตินังชาระตังมาณตังยาเจสั่งคอยท่านนามาสาภิกุโนตาสั่งอาปาตินังชาระตังมาณตังอ s ดาเซ โซจินนามาโตสังขังอัภานังยาเจติสังโขยท่านนามังพิคุลอภเทติยาซายสมโตขมติอิท่านนามสาัสัพิคุโนอภานังโซตุลวัฏายาสานขมติโซพาเซยะข น, นิท่องก็ว่าดุติยัมปีเอตามาทั้งวดามิสุมาโต เมพันเตสังโคก็ความละก็เหมือนกันข้อนี้สามก็ว่าตาติยัมปีเอตมทั้วัจามิสุโนตุเมพันเตสังโคก็ความละเหมือนกันสรุปว่าอภิโตสังเขนิท น, นามโมภิโคขามติสังขส า, าตัสมาตุนีเอวะเมตาธารยามิ อันนี้ก็เป็นสุดทันตะบริวารกถาจบก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะนะประเภทนี้ก็หมายถึงเป็นผู้ที่ต้องอบัาแล้วก็นับวันนับคืนไม่รู้สงสัยไม่แน่ใจเพะะั้นก็ตรวจตราดูว่าบริสุทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้ายังสามารถที่จะนับความบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ตนเองบวชมาบริสุทธิ์กี่วันกี่วันก็เรียกว่าเป็นจุลละสุดทันตะแต่ถ้านับไม่ได้เลยกําหนดไม่ได้เลยว่า บริสุทธิ์ทั้งธรรมะไรให้อยู่ตั้งแต่วันที่บวชมาเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมหาสุทันตะแต่ว่าสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ทั้งนั้นนะโดยแต่มหาทุทันตะก็เลื่อนขึ้นไม่ได้แต่ว่าเลื่อนลงได้นี่ก็จบทุทันตะบริวารส่วนชโมทานบริวารก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ขออนุโมทนาสารทุการในท่านผู้มีศรัทธาผู้เป็นเทพบิณฑร์ก็รักาพระวินยัยแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยรักษาพระวินัยอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ศึกษาพระ สูตไม่ได้ศึกษาพระอภิธรรมเพราะฉะนั้นสีนั้นก็จะไม่เป็นปัจจัยเกื้อกูลแใ่การอบรมเจริญสมาธิที่เป็นสมาสมาธิแล้วก็วิปัสสนาคือปัญญาด้วยความถูกต้องแต่ถ้าศึกษาทั้งสาปิดกคือทั้งพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรมสีนก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแต่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยในการรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือปัญญาไตรสิกขาก็จะบริบูรณ์เพราะฉะนันขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ศึกษา ไตรปิฎกเพื่ออบรมไตรสิกขาจะได้รู้จังอริยสัจธรรมตามเสด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกผูบริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาโดยเร็วพลันด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ